ควา พูดถึงความตายเนี่ยในพุทธศาสนามันจะต่างจากความตายที่พวกเราเข้าใจกันหรือว่าความตายในทางการแพท้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความตายก็จะกำนหนดือนิยามว่าถ้าหมดลมหมดใจหยุดเต้น หรือว่าสมองตายเนี่ยก็ถือว่าตายแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองต่างออไปเพราะว่าเวลาพุทธศาสนาเนี่ยมองเรื่องชีวิตเนี่ยก็มองว่าชีวิตประกอบด้วยกายกับใจสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตหรือความตายเนี่ยก็ย่อมประกอบด้วยตางกายกับใจเหมือนกันคือมีสองมิติ การตายอย่างสมบูรณ์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเฉพาะการกลายจาทางกายนะแต่ว่าจะต้องครบถึงการกลายจากทางจิตหรือว่ า, าเป็นการตายที่ครบถ้วนทั้งสองมิติก็ีนทางพุทธศาสนาเนี่ยแบบเทโลวาเนี่ย จะพูดเรื่องความตายแบบย่อๆนะว่าอย่างไรที่เราตายเช่นในบางที่นก็บอกว่าตายเมื่ออายุไอาุ่นและวิญญาณและจากร่างอายุและไออุ่นนี่ก็คือเรื่องของกายนั่นแหละอายุนี่มันเป็นเรื่องของพลังชีวิตแล้มาพวกก็าทางผู้ศึกษาแบบทิเบตเนี่ยอธิบายได้ ได้เป็นระบบกวางอันนี้ก็นำมาล่อเพื่อให้เราได้น้อมพิจารณาดูคือทางทฤเฎีนี่ก็มองว่าในกรณีที่เป็นการตายแบบธรรมชาตินะก็คือว่าเด็กเขาตายแบบร่างกายค่อยเสื่อมไปเช่นอาจจะเป็นโรคชรลาหรือว่าโรคแห่งความเสือ่อม มันก็จะมีแพทเทิร์นหรือแบบแผ้บางอย่างอันนี้ก็เป็นเฉพาะอันนี้ไม่นับกรณีที่ตายเพราอุบัติเหตุนะหรือว่าหัวใจวายตายหรือว่ามีการแทรกแซ ง, งการแพทย์ด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือว่าด้วยการกระตุ้นหัวใจอะไรต่างเป็นต้นท่ชาติายแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะ เริ่มจากการแตงดำทางแตงดบของา่านดินก่อนนะเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นรูปเนี่ยมันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนะเริ่มตอนที่การแตงดบของา่านดินก็คือว่าร่างกายเริ่มหายพร้อมนะแล้วก็เรียวแลงก็น้อยลงที่เคยเดินได้นะก็เดินไม่ได้ก็ต้องนั่งนะที่นั่ง ต่อไปก็นั่งไม่ไก็ต้องนอนตัวก็พร้อมลงไปพอลงไปการนั่งก็รีต่อมาก็ท่านน้ำํำปากแห้งนะบางทีคอแห้งตาแห้งเนี่ยหรือบางทีก็อาจจะสวิงไปทานก็คือว่าอเหื่อเยอะหรือว่าอุจจรปัสสาวะมันเรียกว่าล่าออกมา อันนี้ทางการแพทย์ก็อยากจะบายว่เพราะห์รเริ่มปรูปมันออนซึ่งก็เป็นเรื่องทองธาตดินพอาะธาตุดินเริ่มปรับปรุงธาตุน้ำก็มีปัญหาลในั้นก็ธาตไฟอนะุณหภูมินนในร่างกายก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปก็คือส่วนใหญ่มันจะเริ่มเย็นไนงะเย็นจากเท้าขึ้นมาจากหัวลงไปแต่บางรายก็ถ้าตุไฟกําเริบก็อาจจะรู้กร้อนนาหนาวบางที ไ ม, ไม่ต้องใช้เขาไม่้องใช้ผ้าห่มเลยแนะ่แมีโยงคนนึงก็มาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่วัดจะเป็นมะเร็งปอดเนปะ็นผู้หญิงช่วงเดือนม ก, กราคมพาที่วัดองต์มานี่ก็หนาวนะแต่ว่าแกซึ่งใกล้จะตายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องกับผ้าผ้าห่มเลยเลยนะแค่บางๆเทื่อนนะ่ะ อันนี้ก็เชื่อเป็นเพราะว่าธาตุไฟในกำเริบนะแล้วก็ต่อมาก็ธาตุลมนะก็จะเป็นการแก่งกับอนดับสุดท้ายนะในฝ่ายรูปก็คือว่าการหายใจเริ่มมีปัญหาเกิดอาการถี่ออกกัดไอฮันเกอร์แล้วก็หมดลมนะก่อนใกล้ตายลมหายใจจะถี่สั้นหายใจเข้าถี่หายใจออกยาวแล้วก็นิ่ง เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องของการแต่จากทางธานลมแล้วก็ในท่สุก็หมดลมพี่ถามว่าหมดลมเนี่ยตายหรื อ, อยังทางพุทธศาสามบอยังไม่ตายเพราะว่ า, วามันต้องให้าการแต่จากทางจิตเนี่ยมันสิ้นสุดนะการแต่จากทางจิตก็หมายความว่าอาจิตมัน ถ้าพูดแบบทางทางาทางธรรมะหรือบาลีเขาบอกว่าเนี่ยพอจุดติดจิตดบนปะปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณเกิดอันนี้ก็เรียกว่าเกิดใหม่ความตายที่สุดเมื่อจุดติดจิตดันดนหรือว่ า, อ, าอันนี้เรียกเป็นการตายอย่างสมบูรณ์ ทางทิเบตก็อธิบายว่าการตับทางจิตเนี่ยมันจะมีอยู่4่ขั้นตอนเหมือนกันแล้วก็มันจะไปสิ้นสุดที่ภาวะแสงกระจา่างเพราะพอแสกระจ่างหมดก็เรียกว่าตายสนิทใ น, นกระบวนการแตกดับทางกายเนี่ยของธาตุดินไฟลมเนี่ยมันก็จะมีความแปรเปลี่ยนด้านการรับรู้เช่นพอธาตุดิ น, น, น มีปัญหาการเห็นนะก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วและพอท่านน้ำแปรปวนการได้ยินนะก็จะมีปัญหาตามด้วยการได้กลิ่นแล้วก็การรับรู้ทางกายนะการรู้ทางกายก็จะหายไปเป็นดับสุดท้ายหมายความว่าสัมผัสเรื่องดวงนีก็ไม่รับรู้แล้วแล้วก็จะลงว่าความเจ็บความปวดทางกาย นะก็อาจจะไม่รับรู้จิตไม่รับรู้แหละอันนี้ก็ถ้าเป็นยันจริงก็เป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่กลัวจะกลัวทุกขเวทนาต่อจะตายนะก่อนตายซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ก่อนตายกี่นาะทีกี่ชั่วโมงนะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะก็คือว่าการความเจ็บปวดมันก็จะไม่รับรู้ อันนี้คูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็ท่านก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยพอใกล้จะตายในยการรับรู้ทางการก็ตาหายไปซึ่งก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีแต่ข่าวข่าวร้ายคือว่าถ้าใครที่ถนัดกรรมฐานแบบตามลมหายใจหรือว่าดูท้องของยุกเนี่ยก็จะคขวนค ว, าควา้ควางเขาจับอะไรไม่ได้เลยก็ได้อันนี้พอธาตุดินอ่ น้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับนะศาสตร์ใดที่การแตกจากทางจิตเนี่ยมันยังไม่ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยก็หมายความว่าการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้หมดลมแล้วเนี่ยยังสามารถจะรับรู้ได้นะยังสามารถจะรับรู้ได้อาจจะได้ยินอาจจะเห็นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณา เพราะว่าเกิดคนป่วยเขาหมดลมเนี่ยแด้วเราคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรแล้วนะเป็นแต่เหมือนกระท่อนไม้เนี่ยจะพูดจะคุยอะไรไม่ระมัดระวังเขาอาจจะรับรู้หรือได้ยินด้วยซ้ำนอาจจะเกิดความกังวลอาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมา เช่นเห็นลูกหลานทะเลาะกันเรื่องงานศพเรื่องมรดกนะลูกหลานก็คิดว่าเขาตายแล้วไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจิตเขา ย, ยังยังรับรู้ได้เนี่ยก็จะจิตใจก็ซดจะเศร้าหมองอาตมาเคยไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งนเป็นแม่เพื่อนก็ไปแบบกระทันหันเพราะว่าเดิมทีจะ ลงมาคุงเทพเราจะต่อไปงานอบรมที่สารยาเพื่อนก็บอกว่าแม่กร้าการหนนะักพอถึงดอนเมือต่อมา ก, ก็รีบไปที่โรงพยาบาลปุพิพนไปถึงก็ประมาณเก้ามงครึ่งก็ป ร, กรากฏว่าคุณยายหมดลมไปแล้วหัวใจห ย, ยุดเต้นไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ต่อมาก็เชื่อว่า เจ้าตัวเนี่ยยังสามารถยังอ่าน จ, จะรับรู้ได้แม่หัวใจหยุดเต้นตอนนั้นยังไม่ได้ถอดสายนะที่เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับพอนิตเตอร์นะเพราะว่าพึ่งหมดลมอาตมาก็คุยกับคุณยายเนี่ยเหมือนกับว่ายังรับรู้ได้ ก็คุยเรื่องนําตำจิตให้ระลกพระรัตนไกรแล้วก็น้อมใจให้นิสุบุตรกุศลรวมทั้งแน่ให้ปล่อยวางปล่อยวางทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่แล้วก็ทุกษาก็ก็อนิมมติให้รับสังฆทานก็รับสังฆทานเสร็จแล้วก็กาวกรวดให้พร พอกวดน้ําแล้ำทศมาก็ริดไปทั้งหมดนี่ก็ประมาณสิบห้านาทนีต่อมาเนี่ยลูกสาวเขาก็ตอนนั้นไม่มีเวลาคุยกับลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็ต่อมาเขาก็เขียนข้อความมาทางเฟซบุ๊กนะทางนี้นมากรองข้อความเนี่ยบอกว่าตอนที่ทศมาสนทนากับแม่เขาเนี่ยบอกว่า สัญญาณหัวใจสัญญาณชีเพเาที่ไอ้สัญญาหัวใจมันในจอมนเตอรนมันขึ้นมันขึ้นมาเลยแล้วก็พออาตมาพูดจบนะมันก็ตกลงไปอันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ความบังเอิญก็แปลว่าคุณยายก็น่าจะรับรู้ได้ว่าอาตมาได้สนทนาอะไรกัน อันนี้ก็เป็นเป็นข้อเป็นแง่คิดหลือข้อพิจารณานะว่าเวลาคนป่วยเขาตายเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าการรับรู้ของเขาหมดเส้นแล้วนะต้องให้เวลาสักพักทางทฤเบตเนี่ยนะเขาจะมีความเชื่ออยู่ว่าเมื่อ เมื่อใครตายเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ทำอะไรกับศพอยู่ประมาณ3มวันเพราะเขาเชื่อว่าแม่หัวใจหยุดเต้นนะแต่ว่าผู้นั้นอาจจะยังไม่ตายสนิททางที่ฎีเขาก็มีวิธีการนะวิปัสสนาจารย์เขาก็มีวิธีการในการที่จะประคองจิตให้อยู่ในภะาะวะแสงกระจา่างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการของจิตก่อนที่จะแตกดับหรือก่อนที่จะไปพบใหม่เนี่ย ถ้าประคองจิตเพราะฉันกระ่างได้นานเนี่ยศอก็ยังไม่เน่านนในที่เบรมมีปรากฏการณ์ทีว่ว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วนะหมดลมแล้วแต่ว่าศอกไม่เน่าบางทีจะเรียกว่าศอกก็ยังไม่ได้เรียกว่าล่างยังไม่เน่าดีกว่าล่างยังไม่เน่าอาจจะเป็นสามวันเจ็ดวันสิบวันสองอาทิตย์ก็ยังมีเลยที่อเมริกาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยท่านกรรมปะที่สนะิบหก่ะ กรรมป่ า, ปานี่ก็เป็นหัวหน้านิกายทางที่เบตอีกนิกายนึงทยรามา์นี่เป็นประมุขของอีกนิกายหนึงนะคือนิกะคือที่เบ็ดเขมีหลายนิกายกรรมป่าเนี่ยองปัจจุบันเนี่ยสิบดนะองค์ที่สิบหเนี่ยท่านไปท่านไปสอนที่อเมริกาแล้วก็มรณาภาพที่นั่นหมอฝรั่งก็ดูแลแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้ ที่บันทึกตอนนู้นว่าตอนที่ท่านหมดลมแล้วก็ถือว่าแพทย์วิศว์ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ว่า72ชั่วโมงอย่างหัวใจยังอุ่นอยู่เลยนะหัวใจยังอุ่นเลยหมอ น, นี่ก็แปลกใจมากแต่ว่าทางที่เบรนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าตอนนั้นนะทา่นานกำลังป่ายังไม่ตายสนิทยังไม่ตายสมบูรณ์หลายคนก็สงสัยการรับรู้ าการรับรู้าการรับรู้ภาพาการรับรู้เสียงเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของสมองไม่ใช่หรือใช่หไหมแล้วเกิดว่าร่างกายมันตายไปแล้วเนี่ยาการรับรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนไปคิดว่าจิตกับสมองเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะในทางพุทเนี่ยจิตกับสมองเนี่ยเป็นคนละส่วนกันสมองเป็นเรื่องรูปนะจิตเป็นจิตเป็นเรื่องนาม มันคนส่วนกันมันพึ่งพาอาศัยกันคือว่าจิตจะสั่งให้จะสั่งให้ผู้จะสั่งให้ทำอะไรก็ต้องผ่านสมองแต่ว่าแม้สมองไม่ทำงานนะจิตก็ยังสามารถจะรับรู้ได้การเห็นการได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสมองอย่างเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนแกเป็นมะเร็ง แล้วก็มีความเชื่อแกจะหายแกก็ยอมทุกอย่างน่าจะใช้แสงเคมแกก็พยายามคิดแง่บวกพยมรักษาอารมณ์ให้ให้ให้ให้สนุกจะแพ้ยังไงแกก็ยังมีอารมณ์ขันหยอกล้อพยาบาลได้เพราะแกมองบวกแต่เพื่อวันหนึงให้แกหัวใจหยุดเต้นหมอก็ช่วยกระตุ้นให้ฟื้นขึ้นมาพอแกฟื้นขึ้นมาแกก็รู้ว่าอาการแกหนักกว่าที่คิดก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน แกก็เลยบอกหมอว่าถ้าหัวใจผมหยุดเต้นอีกไม่ต้องฟังแะ้แกทำใจได้แล้วพร้อมหมอก็รับปากแต่ว่าคืนหนึ่งนะหัวใจจะหยุดเต้นอีกเป็นครั้งที่สองตอนนั้นเจ้าของค่ายไม่อยู่นะหมอเวณก็ตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเด็กที่จ้างมาดูแลเนี่ยก็วิ่งไปเรียกหมอเรียกพยาบาลมนาะ หมอเจ้าของเวรก็ไม่ไม่ทราบว่าคนไข้เนี่ยเคยสั่งหมอเอาไว้ว่าไม่ต้องปัง๊มก็ทําการปั๊มแล้วก็สําเร็จวันรุ่งขึ้นพอแกรู้ตัวเนี่ยแกก็เรียกลูกหลานมาเรียกมาทําไมเรียกม า, าต่อว่ากูว่ากูจะไปสบายแล้วเชื่อพวกมึงกับเรียกกูกลับมาอีกพูดมิ่งนะแกบอกว่าตอนที่แกปวดใจหยุดเต้นในแกเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงนะ เหมือก็ว่าอยู่บนเพดานเห็นเห็นล่างตัวเองเนี่ยแล้วก็เห็นเด็กวิ่งไปเรียกหมอพยาบาลเห็นตัวเาถูกปั๊มแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไมไ่สุดเจ็บไม่สุดปวดตอนนัุก ส, สบายแล้วลึกๆก็คิดว่าเออไปตอนนี้ไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามารตัวที่อายังไม่ไปผิดหวังผิดหวัง ตอนหลังเนี่ยแก้หายจจิตใอีกคร้งที่สามนนี้ก็ไม่มีใครปําแก่แล้คือที่น่าสนใจคัว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพลงตาหรือภาพเป็นภาพมโนเองนะมันเป็นภาพที่จริงแล้วแกเห็นตัวเองได้อย่างไรเวลาเห็นต้องใช้ต้องใช้ตาใช่ไหมต้องใช้ประสาทตาแต่ว่านี่สิ่งทีแกเห็นเนี่ยมันมันเห็นแบบเห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เห็นด้วยตา ้เห็นด้วยอะไรอีกลายนึงเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะแล้วก็รีบพาสงพ่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านช่วงที่กำลังชุลมุนเนี่ยนะแล้วก็เพยาบาลก็กำลังจะใส่ใส่ท่อเข้าไปที่ปาดเนี่ยช่วยหายใจโพยาบาลเห็นฟันกรองเป็นแถนแล้วก็ทอรองแล้วก็ค่อยใส่ท่อเข้าไปใส่สายเข้าไป ก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้แกก็พักตัวที่โรงพยาบาลมาอันอาทิตย์หนึ่งระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็วันนึ้งก็เห็นแพาบยาลคนเดินผ่านมาแกก็ทักคุณใช่ไหมที่ถอดคอนกรองผมแกเห็นได้ยังไงแกจะไปคิด ว, ว่าการเห็นภาพการเห็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองเท่านั้นนะตอนนั้นแกตอนนั้นแกหลักแกก็สลบอยู่ในสายตาคุณน้องแกสลบ นะแต่ที่จริงแกรับรู้ได้มันจะมีเรื่องแปลกๆอยู่แบบนี้เยอะนะเด็กคนนึ่งอายุเจ็ดขวบกิดจมน้ำอันนี้ในเมืองนอกนนอเมริกาจมในสระตอนนั้นมันหนาวมากเลยนะอยู่ในนั้นเนี่ยยี่สิบนาทีเอาขึ้นมาเนี่ยบอกว่าหัวใจยังเต้นนะหัวใจยังเต้นแต่สมองเนี่ย หมอก็สแกนสมองปพวาสมองบวมนะ่ะม่านตานขยายไม่ตอบสองต่อแสงแปลว่าอะไรฮะสมองตายเลือกเป็นกดสูงหมอ ก, ก็บอกหมอ ก, ก็บอกแม่ว่าทำใจเพราะว่าสามวันต่อมานี่เด็กฟื้นนะไม่ได้ฟื้นธรรมดานะไม่ได้ฟื้นแบบผัดนะฟื้นแบบคุยกับแม่ได้นะ หมอก็แปลกใจหมอก็รองที่คูดกับแม่หมอก็มาดูอาการพอหมอไปเด็กก็บอกแม่ว่าเนี่ยเห็นหมอคนเนี้ในตอนที่สลบไปสามวันเนี่ยตอนที่ไม่สึกตัวไปสามวันเนี่ยเห็นหมอคนนี้ไอบอกมีหมอสองคนคนนึงมีหนวดคนนึงไม่มีหนวดก็ตรงเลยเนะแล้วก็บรรยายห้องเออารห้องห้องฉุกเฉินได้ถูกเลย <S <S <ๆ S 1> เห็นด้วยอะไรนะสมองตอนนั้นก็บวมนะเรียกว่าหม อ, อสมองตาย คนที่เล่านี่เขาก็เขาก็เป็นหมอฝรั่งนะเป็นเจ้าของไข่ก็คือหมอคนที่เด็กเด็กทักว่าเนี่ยได้เห็นคนที่แกก็งงนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันจะมีมาเรื่อยๆฮนะซึ่งทําให้เราเชื่อได้ว่าการรับรู้ของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อาศัยสมองอย่างเดียวนะและในยานที่มันก็หมดสภาพไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตายในทางการแพทย์เนี่ย การเห็นยังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ได้ยินนะเมื่อกี้คุณหมอมาราพูดเรื่องโคม่าแล้วได้ยินนะไอ้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องการเห็นทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่แค่ได้ยินหัวใจจุดเตแล้วก็ยังได้ยินนะเพื่อตมาเนี่ยแกเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ยาตัวหนึ่งมาเพราะว่าแกแพ้ยาอย่างแรงเลยนะ แล้วก็ทําให้แกหายใจไม่ออกแกดิ้นเพะ้าๆเลยนะเพื่อนที่อยู่ข้างเพื่อนที่รักษาตัวอยู่เต็ขงข้างๆก็ไปเรียกเรีย ก, ไ ป, ยกไปบอกหมอผมก็ผู้รีกุจจรัหญ่เพราะว่าพอเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยหัวใจกินอย่างเต้นนะแต่แกได้ยินนะแกได้ินหมอแกได้พยาบาลพูดกับหมอว่าชีพจรจับไม่ได้ความดันวัดไม่ได้เลยนะ แล้วก็หยุดหายใจนะแกได้ยินนะแต่จะเรียกว่าได้ยินกับหูนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดถูกก็เปล่านะได้ยินกับหูว่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่แกได้ยินคือว่าแกได้ยินตอนที่หัวใจจะหยุดเต้นละไม่หายใจแต่แกได้ยินได้อย่างไรจึงอยู่นั่นก็เวลาหัวใจหยุดเต้นเนี่ยสมองจะยังทํางานได้สัก 5-10 นาทีแต่ว่าการที่จะไปเห็นหรือได้ยินอะไรแบบนั้นเนี่ย นะมันก็คงจะไม่ง่ายแล้วก็กายงแกนก็มือใจกหยุดเต้นเป็นนานทีเดียวเพราะฉะนั้นเน่ย อ, อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการรับรู้เช่นการได้ยินการเห็นเนี่ยมันไม่ได้อิงที่สมองเดียวไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูเดียวและมันอาศัยอะไรนะถ้าเป็นถ้ามอดพวกคือว่าต้องอาศัยจิตนดะังนันการความ ที่ที่บอกว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยหรือว่าตายทางการแพทย์แล้วเนี่ยตราบใดที่จิตยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมตากับสิ้นเชิงหรือว่ายังไม่เกิดจุดติดจิตหรือว่าเกิดประสิทธิ์ที่จิตขึ้นมาเนี่ยการรับรู้ก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วก็โชคดีที่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้คนที่ ถ้าลิ้นแฉว่าตายไปแล้วนี่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ในกรณีที่ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่ารูปเนี่ยมันยังไม่แตกตับสนิทนะมันเพียแค่ไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นแต่ในกรณีของคนที่ตายเพราะโรคแห่งความเสื่อมก็คือธาตุดินด้านไฟลมมันแตกตับเป็นรเนรนาดเนี่ยก็คงจะกลับมาไม่ได้ กลันไม่ได้เราก็เลยไม่รู้เนี่ยว่าเขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่าที่กลับมาได้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าแม้ว่า ใ, ใจจะหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยการรับรู้เกิดยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นประโยชน์ในแง่ว่า เ, าเวลาเราเราดูแลผู้ป่วยไม่ว่าเขาเป็นโคม่าหรือเป็นผักนะให้เราลึกว่าเขายังรับรู้ได้ถ้ามีโอกาสที่จะรับรู้ได้เป็นผักที่ยังรับรู้ได้นะะ มีมีฝรั่งคนหนึ่งแกเส้เลือแตกสมองในสมองสองข้างเลยนะแรงมากในะสองข้างนะซึ่งเปในสมองแตกซึ่งไม่ไม่น่าจะรักษา ห, หายได้หรือว่าไม่น่าจะฟื้นขึ้นมาได้เลยแต่ว่าในอเมริกามันมีมันมีหน่วยที่เป็น ICU ชนิดพิเศษก็คือเป็น ICU เฉพาะสำหรับระบบประสาทดวเอ็นอซ i c u ก็ช่วยเราปลูกปั้มจนกระทา่งชายคนนี้เนี่ยแกก็กลับมาเป็นปกติได้ก็คงมีกายภาพอะไรด้วยเยอะแยะนะกลับมาเกือเป็นปกติแกเล่าว่าตอนที่แกเป็นผักเนี่ยนะหมอคุยอะไรกันแกได้ยินแล้วตอนที่หมอเนี่ยพยายามที่จะบีบ น, นิ้วเท้าแกเพื่อจะเช็คว่าแกเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นผักข้าววอรหรือผักผักข้าววอรหรือเปล่าเนี่ย อกบกแปวดมากเลยนะอยากจะตะโกนให้หมอหยุดแต่ตะโกนไม่ได้แท้ๆกับที่เด็กเด็กอายุปแปดปีที่คุณหมอมาลานเล่าอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ออกมันไม่มีเสียงอันนี้แสดงว่าแม้กระทั่งความรู้สึกเจ็บเนี่ยก็ยังรับรู้ได้เมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยมันมีการทดลองนะของหมอคนหนึ่งนะที่ที่อังกฤษ แล้วก็เป็นการทดลองที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยลก็คือว่าแกต้องการเช็คว่าคนที่เป็นผังเนี่ยรับรู้ได้ไหมแกก็ใช้วิธีคุยกับคนไข้นะที่เป็นผังเรื่องจากอุบัติเหตุนะไม่ใช่เพราะเส้นสมองแตกนะเป็นผังที่มันมีหลายหลายหลายหล า, ย, หลา ย, ยเหตุคนไข้ที่เป็นผังที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัว หรือฟื้นขึ้นมาได้ง่ายกว่ามากกว่าคนที่เรียกว่าเส้นสมองตันหนึ่งข้างสมองมันตายหรือว่าเส้นสมองแตกแบบแบบหนักเนี่ยแกก็ทดลองด้วยการคุยกับคนไข้ที่เป็นผักเนี่ย บอกว่าไหนคุณช่วยจินตนาการเชื่อคุณกําลังเดินรอบห้องนะแล้วก็จินตนาการว่าคุณเนี่ยกําลังเล่นเทนนิสระหว่างที่บอกเนี่ยให้คําสั่งให้คนไข้ทําตามเนี่ยก็ใช้เครื่องสแกนสมองพบอกว่าสมองส่วนที่รับรู้ด้านภาษาเนี่ยมันทํางานมันมีความผิดปกติคือมันทํางานแสดง ว, ว่าคนไข้เนี่ยได้ยิน แล้วก็รู้ภาษาแล้วสมองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ทํางานซึ่งเป็นธรรมดาคนปกติเนี่ยเวลานึกว่าจินตนาการว่ากําลังเดินรอบห้องหรืเล่นเทนนิสเนี่ยไอ้สมองส่วนที่มันทำหน้าที่ควบคุมเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะขยึดมันจะมันจะทํางานขึ้นมาเพราะผลสแกนสมองของคนไข้ที่เป็นผักเนี่ยนะเอาไปเปรียบเทียบกับคนไข้ปกติเอาคนปกติ ที่ได้รับคำสั่งเดียวกันสองข้อปรากว่าเหมือนกันมากจนทัานแย้มบอกได้ ว, ว่าใครเป็นผักใครเป็นคนปกติแปลว่าอะไรแปลว่าเขารับรู้ได้แต่เขาสื่อสารไม่ได้อั น, นีะเป็นการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่ชี้ว่าที่เป็นผักเป็นผักเลยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ชีวิตมีแต่ลมหายใจแต่ไร้วิญญาณยังมีวิญญาณและยังมีความรับรู้ได้ อันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่เราต้องอตระหนักใส่ใจไว้แมผักก็ดีโฟมากก็ดีก็สามารถจะรับรู้ได้อาจจะไม่ร้อยเอร์เซ็นตหรือว่าไม่ไม่ใช่ตลอดเวลาและแม้กระทั่งตายไปแล้วเนี่ยหรือว่าตายทางการแพทย์เนี่ยจิตก็ยังสามารถจะรับรู้ได้ แต่ไม่รู้ว่ารับรู้ได้นานแค่ไหนนะจนกว่าจะกลายเป็นจะกลายจนกว่าจะตายไปเสร็จสิ้นสมบูรณ์มีคนเพราะนั่นเนี่ยเวลาคนไข้ที่เวลาคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเผลอเนี่ยเจ้า ต, ตัวไม่รู้ว่าตายหรือซ้ำจิตมันไม่รับรู้ว่าตายหรือซ้ำ แล้วว่ากายเนี่ยมันแน่นิ่งอยู่แล้วแน่นิ่งไปแล้วไอ้พี่คนหนึ่งแกนุ่งขาวผมขา ว, ขาวแล้วก็จะไปทําบุญที่วัดข้างบ้านแกก็เดินข้ามถนนบอกว่าโดนรถชนตายคาที่เลยกายในเวาเดียวกันนั้นเนี่ยคนในวัดเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้นุ่งขาวผมขาวเนี่ยเข้ามาในวัด แล้คนที่เห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุหน้าวัดดีวนะอันนี้แปลว่าอะไรเป็นไปได้บบว่าเจ้าตัวเนี่ยที่ถูกที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแกไม่รู้ตัวเองตายจิตเนี่ยมีความมุ่งมันน่นแนวแนจะมาทำบุญร่างเนี่ยนะนอนกองกับคื้นถนนแล้วแต่ว่าจิตยังทำงนานต่อไปแต่เดี๋ยวสักพักก็คงจะรู้ว่า ตัวเตายแล้วถึงตอนนั้นก็อาจจะทําใจไม่ได้อาจจะเสียใจอาจจะห่วงลูกอาจจะห่วงคนรักก็ลักแต่ตรงนี้ก็ต้องช่วยนะช่วยทันนาทางเขาให้ให้อยอมรับความตายปล่อยวางเพื่อว่าเขาจะได้ไปดีคราที้พูดถึงเรื่องการเพราะว่าใก่ตายเนี่ยน ะ, ะในทางพุศาสนาเนี่ย ท่านจะพูดถึงปรากฏการ์ทางจิตอยู่สามสี่สามสี่ประเภทที่ควรจะรับรู้ก็คือว่าตอนกล้จะตายเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการเรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรมะอารมณ์เนี่ยก็คือการที่จิตเนี่ยมันย้อนกลับไปการที่ความทรงจําในอดีตเนี่ยมันพรั่งพลุออกมาจิตเนี่ยเหมือนกับว่าย้อนกลับไปเนี่ย ในเหตุการณ์ในอดีตมันมันพังพลงมาแม้กระทั่งความทรงจาแม้กระทั่งเหตุการณ์สมัยยังเป็นเด็กทารกเนี่ยจิตมันไม่ได้ลืมเลยนะมันก็ยังเก็บเอาไวนะ้เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้นะเพราะว่าจิตมันก็เป็นนามธรรมนะแต่ว่าทางมันมีคำเรื่าอะไรยบิน ญ, ญาณ ก็คือว่าวิญญาณในส่วนที่เก็บอะไรนี่ซึแปลว่าเป็นที่เก็บที่สะสมกับเหมือนกับวิทยาลัยวิทยาลัยคือว่าที่สะสมความรู้ที่เก็บความรู้เนี่ยอะไรที่วิญญาณเป็นที่เก็บความทรงจําประสบการณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่ประสบพบเห็นในชีวิตแล้วมันก็จะออกมาในตอนใกล้ตายฝรั่งที่ศึกษาเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยคนที่คนที่หัวใจหยุดเต้นละฟื้นขึ้นมาได้ หรือว่าคนที่ผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการทําให้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเหมือนกับว่าตายตายไปชัว่วขณะแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยจํานวนไม่น้อยนี่ยจะจะบอกว่าพกประสบการณ์นี้ก็คือว่าความทรงจําในอดีตที่มันไม่ใช่ชาติีแล้วนะแต่เป็นความทรงจําในในชีวิตนี้เนี่ยที่อาจจะย้อนถอยหลังไปได้ห้าสิบหกสิบปีเนี่ยหรือว่าสมัยไปไวัยเด็กไวัทารกเนี่ยมันย้อนกลับมา ก็มันเร็วมากฝรั่งที่ประสบการณ์นี่ก็รีวิวนะแต่ว่าของทางพวกเราพูดถึงประสบการณ์ที่มานานแล้วเรียกว่ากรรมมาอารมณ์อันนี้อาจจะอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะอลืมบอกไปนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยพยายามฆ่า ต, ตัวตายแล้วไม่ตายหลายคนก็พบว่าผ่านเจอเหตุการณ์นี้เจอประสบการณ์นี้ประการต่อมาคือว่าเกิดนีมน่มิก็คือภาพหรือเสียงนะ ที่รับรู้ได้ด้วยใจกรรมนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตเกี่ยวกับกรรมหรือการกระทำในดีจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ห้ามไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นสติอ่อนเราจะไคได้ยินคนที่คนที่ฆ่าวัวฆ่าไก่เป็นอา จ, จินเนี่ยพอจะตายเนี่ยก็จะเห็น สัตว์ที่ตัวเองฆ่าเนี่ยมันมันก็มาหลอกหลอนบางทีเจ้าตัวนี้ก็ร้องนะด้วยความกลัวนะมีเพื่อนเล่าว่าเนี่ยมีเมื่อสักหลัยเมื่อสามสิบส่บ ส, บ ส, บสิบปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นแก่เลี้ยงไก่ชนอยู่ที่แถวบ่อนไก่นะบ่ไก่กรุงเทพเนี่ยนะไอ้บ่อนไก่เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสนามไก่ชนนะ แล้วตอนจะตายนะผู้ชายนี้ซึ่งแกเป็นคนที่ทรมานไก่มากนะทรมานไก่ชนมากตอนตายนี่นะแกจะมือเนี่ยชนชนตลอดเวลาแล้วก็ลองเป็ก พ, พ, พ่อเป๊กพ่อเป็กพ่อนี่คือตอนที่ใช้เชียร์ไก่ชนนะชนเห็นแล้วละจนระทางเนี่ยมือเนี่ยแตกเป็นแผลเลยนะก็ยังไม่เลิกนะเหมือนก่าผีไก่ยังมข้าสิงนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกรรมนิดนิดแบบ ที่มันแรงมากเลยแล้วก็ทรมานมากเลยแต่กรรมนิมิตฝ่ายที่เป็นกุศลก็มีนะก็คือว่าใครที่ทําความดีเช่นชอบใส่บาตรสร้างพระก็ จ, จะเห็นพระที่ตัวเองสร้างเนี่ยนะเป็นลัทธนะิเจอตรัสเห็นแล้วก็เกิดปิติขึ้นมาหรือเห็นขันใส่บาตรที่ตัวเองใส่ใช้ใส่ใส่บาตรเป็นประจํา พอเกิดขึ้นมาใจก็เป็นปิติเกิดปิติขึ้นมาอันนี้เราเป็นกรรมด้วยฝ่ายกุศลเสร็จแล้วก็มีคตินิมิตคตินิมิตก็คือนิมิตที่จะบอกว่าจะไปไปอยู่พักภูมิไหนอาจจะเห็นเป็นฟ้าเป็นไฟเป็นเมฆหรือว่าเป็นถ้ำถ้าเป็นเป็นถ้เป็นไฟนี่ไปเอาไปอภัยหรือบางทีก็อาจจะเห็นเป็นสัตว์ก็ได้ มีเรื่องเล่าว่าในในสัยวิชกรารก็มีพระอะมีพระชะคาค่าเป็นนายพรานองแกตอนจะตายเนี่ยก็เห็นสัตว์เห็นหมาที่ห ม, า, หมาป่ายมาไล่แกก็พยายามปัดแล้วก็ร้องนะด้วยความตื่นตกใจลูกชายที่ดูแลเนี่ยเป็นพระพระโสด น, นะท่านก็ พิจารณาด้วยญาณก็ท่านก็รู้ว่าเ네นี่ยคตินิมิตของพ่อจะไปอะไรจะไปอาจจะไปเป็นเดรัจฉานก็พยายามน้อมใจพ่อให้แล้ถึงพระาตนตรัยพ่อนี้ก็นึกถึงนะบกว่านิมิตเปลี่ยนเลยเป็นเทพธิดาแล้วก็แล้วก็วกจิตสุดท้ายเนี่ยก็หน่วงเอา น้อมอานิมิตนั้นเอาไว้จิตก็เป็นกุศลก็เลยได้ไปดีไปสุปติแสดงว่าคตินมตนี้มันก็ยังยังเปลี่ยนได้นะยังสามารถเทียบเปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีประเพณีการนำทางผู้ใกล้ตายแต่หัวใจสำคัญจริงอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าจิตสุดท้ายนะ จิตสุดท้ายอันนี้ก็แปลเป็นคําชาวบ้านที่แปลมาจากคําว่าอาสันญกรรมหรือว่ากรรมจนเจียนจิตที่ริงจงสุดท้ายนี่มันภาษามันมาจากคําว่ามรณาสันนวิถีนะมรณาสัญวิถีจิตเนี่ยคือวิถีจิตเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยนะถ้ามันวงเหนียวอารมณ์ใด ถ้าเป็นกุศลก็เป็นอาสาณกรรมที่เป็นกุศลถ้ามันนูนเหนืออารมณ์ที่เป็นอกุศลนะก็เป็นอาสาณกรรมที่เป็นอกุศลและอาสาณกรรมมีนเป็นกรรมพิเศษนะก็คือว่ามันส่งผลทันทีคือกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็ต่างให้ผลช้าเร็วไม่เหมือนกันสำหรับอาสาณกรรมเนี่ยนะ คือกรรมจุดกรรมสุดกรรมสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่มายถึงมโนกรรมเนี่ยจะส่งผลทันทีอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ทําอนันตริยกรรมนะไม่ทําอนันตรียกรรมเอาไว้เนี่ยก็คือคนทั่วไปนั่นแหละถ้าทําอนันตเรียกรรมไว้อสานกรรมนี่มันจะมันจะมันจะถูกกลบไปด้วยอนันตเรียกรรมหมายความว่าชอบไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นะทําให้ามแตกแยกเนี่ย อบายสถานเดียวนะอสัญนกรรมไม่ช่วยแต่คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ทําอนาจากรรมอยู่แล้วนะอสัญนกรรมจะเป็นตัวชี้ขาวว่าจะไปไหนที่ว่าไปดีไปไม่ดีคืออสัญนกรรมเนี่ยคือว่าอสัญนกรรมถ้าเป็นกุศลก็ไปดีถ้าเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีอกุศลเช่นอะไรก็เช่นห่วงหาอะไรนะห่วงแขนทรัพย์สมบัติ อย่างเช่นพระรูปหนึ่งท่านได้กีวรใหม่มาจากพี่สาวสมัยพุทธ ก, การกีวรมีของหายากส่วนใหญ่ผ้าทั่วไปก็ได้กีวรมาจากผ้าที่เขาห่อสดจากป่าช้านี่ท่านได้กีวรใหม่มาเนี่ยท่านก็ดีใจแต่ว่าท่านไม่ทันได้ใช้เพราะกลัวว่า เราหน้าภาพประทันถันจี่สุดท้ายในยสันนึกถึจีวอด้วยความเสียดายอาจจะเลืดด้วยความเสียใจที่ไม่ได้ส่องสัตทานยมพี่เนี่ยบอกว่าพอตายแล้วไปไหนไปเป็นเลนในจีวอจิตเนี่ยหวงแหนจีวอ น, นก็ได้ไปอยู่ใกล้จีวอจริงๆนะที่เราปูสมเฝ้าสมบัติก็จะเป็นแบบนี้นะพวกที่หวงสมบัติน่ะตายไปแล้วก็ก็ไปอยู่แถวๆนั้นแหะ เทาสมบัติกันนะแต่ว่าก็เป็นเลนไปได้เจ็ดวันนะพอครบอายุไขของของเลนเจ็ดนะวันเนี่ยก็กรรที่กรรมที่ ท, ทำไว้ก็หนุนส่งให้ได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องได้รับผลจากอสัญกรรมนะที่เป็นอุศล หรืออย่างนางนอกจากความหวงแหนในทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยบางทีความรู้สึกผิดจิดเศร้าหมองเนี่ยก็ทําให้ไปอบายได้นะนางมบมริการทวีวีเป็นเมชีพระเจ้าเปรตธิโกสัเป็นคนที่ฝักใฝ่ศรัทธาในพระรตนตรัยแล้วก็เป็นคนที่ชักชวนให้พระเจ้าเปรตธิโกสัเนี่ยสนใจในเรื่องการทําบุญเลิกฆ่าสัตว์ตัชีวิตเนี่ย ตอนจะตายเนี่ยเราบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเศร้าหมองเพราะว่าไปนึกไปไปนึกถึงตอนที่ต <Maybe> <Sou> ัวเนี่ยโกหกพระเจ้าปเสนีโกศลเอาไว้เธอทําอะไรไม่ดีบางอย่างเอาไว้แล้วก็โกหกพระเจ้าปเสนีโกศลเห็นแต่ว่าเธอโกหกว่าพระเจ้าปเสนโกศลตาฝาดไปมองมองผิดพลาดไปพระเจ้าปเสนโกศลก็รักเชื่อก็เชื่อเชื่อ นาเมริกาทีวีเพราะรักนาเมริกาทีวีมากปรากว่านาเมริกาทีวีเนียไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นรู้สึกผิดที่ว่าได้ทำผุ้สาวาว่าพรากว่าไออสานกรรมนั้นเนียกดึงให้ไปเกิดในนรกเลยนะเรื่องนี้ก็มี เกลเล่าต่อนะว่าพระเจ้าเปรสิโดสเนี่ยรักนางมาริการ์ตีมากเมื่อนางตายไปแล้วก็เศร้าเสียใจแต่ก็อยากจะรู้ว่านางไปไหนก็มีคนเดียวที่ให้คําตอบได้คือพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปที่เชตวันนะตั้งใจจะถามแต่พระเจ้าก็รู้ว่าถ้าตอบไปเนี่ยพระเจ้าประสิโดสเนี่ยจะคานแคลนในเรื่องของกรรมว่าทําไม คนที่ทํากรรมดีอย่างนางอเมริกาถืถึงไปนรกอันนี้คนธรรมด า, าเข้าใจยากนะทำไมคนทําคนดีอย่างนางถึงไปนรกพระเจ้าก็ตอบไปแล้วเนี่ยพระเจ้าเสิทกศส น, นจะครางแครงในเรื่องกรรมแต่พรมเนี่ยจะโกหกก็ไม่ได้นะก็เลยบันดาลให้พระเจ้าเสิทิศสนเนี่ยลืมถามมาถ้าลืมถามสนทนาเรื่องอื่น กลับไปถึงวังจึงนึกขึ้นได้วันนึกขึ้นไปใหม่ก็ลืมกลับถึงวางนึกออกวันที่สามไปใหม่ลืมนีกเป็นอย่างนี้อยู่เจ็ดวันนะพอครบพ อ, พอถึงวันที่แดเนะี่ยดาวนริการทีวีนะกรรมที่กรรมนี้ที่ทำไว้ก็หนึ่งให้ไปไปเกิดในสุคติในสวรรค์การที่พรเจ้าก็เลยไม่มีความจำเป็นจนะต้อง บรรดาให้พระเจ้าเศนิโกสนลืมลพระเจ้าเิโกสลไปถึงก็ถามตั้งใจถามรอมาเจ็ดแวันแล้วถามว่านางเนนางมริกาทีไปไหนพระเจ้าผู้เจ้าก็ตอบว่านางได้อยู่ในสวรรค์ลแล้วพระเจ้าเสนิโกสลก็ดีใจพื้นปิตินะอันนี้ก็เป็นเป็นเปรด น, น, น, นะที่ ที่ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญนะของการของอสังนักกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความดีสร้างบุญสร้างบุญศลแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่หลับประกันนะว่าตายแล้วจะไปดีหรือไปสุคติไอตอนที่ตอนจะตายเนี่ยก็ต้องรักษาใจาให้ดีด้วยนะถ้ารักษาใจาไม่ดีนี่ก็ก็เป็นเรื่องนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ด้วยเหตุ น, นี้แหละนะการที่มีมีธรรมเนียมนาติดผู้ใกล้ตายเนี่ยหรือนำทางผู้ใกล้ตายเนี่ยเช่นนี้มือนพระมาบอกอรหังเนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะในธรรมเนียมชาวพุทธโดยเฉพชาวพุทธไทยเพราะเชื่อว่าจะช่วยทําให้ไปดีมีอุบายหลายอย่างนะที่ช่วยทําให้ การไปนี่เป็นการไปดีได้ในในภาคอสานเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมนะคนจะตายเนี่ยก็ให้ถือดอกไม้ทุกเทียนเพื่ออะไรนะเพื่อจะไปกราบพระเกศเจ้าจุลามณีในสวนชะเ ด, ดาวดึงเนะพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยตอนชัตอนชดาวดึงเนี่ยเก็บมีการนำพโมลีหรือว่าพระเกศสาพุทธจารย์ตอนเสร็จมาพิณสกุลมเนี่ย ไปไปเรียกว่าไ ป, ไปไว้ในไปไว้ในเรียกว่าไปบูชาเนี่ยบนสวนชั้นดาวดึงคนอ่สานก็เชื่อตายแล้วเนี่ยนะก็จะได้ไปกราบพระเจ้า 9. ก็ต้องมีดอกไมยทุกเทียนไปอันนี้ก็เป็นอุบายที่ทำให้อ่ไม่กลัวตายนะเพราะว่าจะได้ไป ไปบูชาไปสักการะพระเกศแล้วขณะดการก็ทำให้ใจเนี่ยเกิดปิติรู้สึกเป็นกุศลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุบายนะเป็นธรรมนียที่กลายเป็นธรรมเนียมซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยหให้ความสำคัญกันละคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเวลาใกล้ตายเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของบรรยากาศที่สงบนะจะไม่ จะไม่ให้ใครเนี่ยมาร้องโหมร้องไห้เลยสมัยที่ถ้าจ้าพุทธทจ้าเคยเล่าตอนที่คุณตาเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยคุณตานี่พอรู้ว่าจะเสียชีวิตนะอาหารก็ไม่กินแล้วนะเลิกกินอาหารเพราะรู้ว่ากินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วคงไม่อยากกินด้วยนะร่างกายมันไม่มันไม่รับแล้วเริ่มโดยไม่กินอาหารต่อไปก็ยาก็ไม่กินกินแต่น้ํา แล้วพอใกล้ตายเนี่ยก็ให้ลูกเนี่ยลูกหลานพานั่งพิงเสาแล้วก็สั่งเสียลูกหลานมีบางคนร้องไห้ท่านก็ไล่ไปเลยนะบอกไปไปร้องไห้ที่อื่นนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นธรรมเนียมนะของของคนไทยสมัยก่อนว่ายิ่งใกล้ตายเนี่ยบรรยากาศสำคัญมาก มันตรงข้ามมาสมัยนี้นะยิ่งคนป่วยใกล้าตายเนี่ยยิ่งชุลมุนพลรบันกันใหญ่เลยใช่อหมออนะหมอนี่ก็หวยพยาบาลก็พากันนะทำอะไรต่ออะไรมากมายนะเพื่อช่วยให้มีลมหายใจยืนยาวขึ้นปั๊มบังละเจาะคออะไรบ้างละใ ส, ส่ยาฉีดยากระตุ้นหัวใจบ้างละมันคนละเรื่องเลยนะ คนไทยเนี่ยมาใกล้าตายจะให้ความสําคัญเรื่องจิตใจมากเรื่องกายนี่ไม่สนใจนะอาหารไม่กินยาไม่แตะจะให้ความสําคัญเรื่องจิตใจแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยจะเน้นแต่เรื่องกายอย่างเดียวเรื่องใจไม่สนเลยนะบางทีลูกหลานจะมาญาติๆจะมาขออยู่ใกล้นี่หมอพยาบาาที่ ก, ก็ก็ไม่ให้ไม่ให้เข้านะเกยกากหมอกําลังทําหัตถการนะกลำกนะกลัง กลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยอันนี้มันเป็นการเป็นมุมมองที่แตกที่เรียกว่าคนละขั้วเลยนะแตกต่างกันอย่าง อ, อย่างมากเลยบรรยากาศตอนใกล้าตายนะของคนไทยสมัยก่อนกับของคนไทยสมัยนี้เนี่ยที่รักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะแตกต่างมากแต่ถ้าหมอเข้าใจนะก็สามารถจะสร้างบรรยากาศสงบไดนะ้วันนี้เจ้า ต, ตัวก็ต้องเรียกร้องนะอย่าง เราคงจำได้านเมื่อหลายปีก่อ น, นย่อดรักษละใจเนี่ยแกเมื่อแกเสียชีวิตเนี่ยแกก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาล น, นะแกก็บอกว่าขอขอไม่เข้าห้องไม่เข้าห้อง IC ซนะขอมาตายใช้เวลาสุดท้ายเนี่ยที่ห้องห้องพิเศษของแกเนี่ยนะคือพร้อมรับความตายอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าแกก็ต้องการที่จะตายแบบสงบแต่ก็ไม่สงบนะเพราะว่า มีแฟนเพลงเนี่ยมาเยี่ยมแกโอ้โมากมายทั้งที่ใกล้จะตายแล้วจนทั้งหมอต้องต้องบอกว่าเนี่ยขอให้ยอดลังเนี่ยเขาได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้มีความสงบนีอันนี้ก็ก็มีคนที่พยายามที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของความสงบ ก, ก่อนตายความมิติด้านจิตใจเรื่องสำคัญแต่ความสงบนี่มันก็มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่บรรยากาศดีนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การน้อมนำอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมและนิสัยด้วยนะลุงปู ด, ดูเนี่ยลงปู ด, ดูพระสักแกท่านเคยเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งชอบทรม า, ปานปลาเนเรียกว่าทำประนติบาิกับปลาเนี่เป็นอา จ, จนินพอเห็นแก่เงินแก่ทองตอนจะตายนะก็มีพระมา มามันำพุโทโธนะแกนึกถึงแต่ปราชโดอ่ะพอพระมานำอรหังก็นึกถึงแต่ปลาในกระชังคือใจมันไม่ไปไหนเลยมันก็วนเวียงอยู่ในในความชั่วที่ตัวเองทาเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันปิดลัเนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากรรมที่ทํเอาไว้เนี่ยนิสัยที่มันสะสมมาเนี่ยมันทำให้ ไม่สามารถที่จะน้อมใจรับเอาธรรมะได้เลยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันด้วยเอา้าก็ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะฮะภาวะความตายกับเพราะใก่ตายในพุทธศาสนาไม่ทรามีคำถามสงสัยเลยไหมฮะมีคร่ครับ ตอนที่เขาล่วเขาตายเนี่ยเมื่อเขาลูวเขาตายเนี่ยเขาทำใจได้ไหมใช่ไหมชื่อตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจมาเลยก็จะตกใจเพราะว่าฉันตายแล้วหรู้นเนี่ยอาจจะนึกถึงลูกนึกถึงคนด้า น, น, นถึงพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็สิ่งที่ช่วยกระด้คือว่าบอกเขา้าคุยกับเขาแม้เขจะหมดลมไปได้ห้าสี่สิบนาที หรือเพื่นช่งมงก็บอกเขาว่าเนี่ยเขาตายไปแล้วนะให้แล้ถึงพระตนาใจนอกจา้ถึงเป็นกุศลปล่อยวางถึงทีกลให้นถึงพระแล้วก็ละทกสิ่ ง, งนะ อ, อย่านะเรื่องพวกนี้นมันก็แปลกนะตาก็ก็ยังมันมีเคสแปลกๆอยู่นะเมื่อกี้อย่างเคสที่เล่าเนี่ยถูกรถชนตายแล้วก็ยังมีคนเห็นมามาที่วัดเนี่ยนะ มีบางลายนี่ยิ่งกว่า น, นี้นะแล้วก็มันมันแปลกหลายหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินมีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยแกเล่าว่าพี่ชายแกถูกยิงต่างจังหวัดนะแล้วก็มาโรงพยา บ, บาลอยู่ได้แค่5ชั่วโมงก็าตายที่บ้านก็ทาศพก็จะว่าสวดศพประมาณสามวันห้าวันเผาเสร็จเนี่ยก็พ่อ แม่แล้วก็น้าสาวของผู้ตายเนี่ยก็นั่งรถกลับบ้านจู่ๆก็มีโทรศัพท์มือถือดังเือมือถือของแม่ในี่ดังไม่โชว์เบอร์แม่ก็รับตอกว่าเป็นเสียงของลูกชายทีตายแม่ผมปวดแลวเกินผมทรมาน์และเกินช่วยผมด้วยนะแม่ก็อึ้งไปเลยยื่นโทรศัพท์ให้น้องสาว หรือหน้าสาวของผู้ตายแกก็อึง้งก็ยื่นให้พ่อพ่อมีสติดีหน่อยพ่อก็พูดว่าสัสตรลูกตายไปแล้วนะ้นี่พ้พิ่งพ่งทำาศพให้ให้รึึกถึงบุญกุศลนะแล้วก็ให้ปล่อยวางก็คุยกับคุยทางโทรศัพท์เนี่ยประมาณห้านาทีอันนี้ก็ มันหลายวันมาแล้วนะก็น่าสงสัยว่าหนึ่งเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขารู้หรือเปล่ า, าตัวตายหรือว่าเขาไปเกิดหรื อ, อยังหรือว่าถ้าไปเกิดแล้วเนี่ยแต่ว่าจิตก็ยังวนเวียนอยู่กับพบเดิมดกับร่างเดิมและที่สำคัญคือว่าโทรศัพท์ได้แล้วแต่นี้เนี่ยนะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่ที่แปลกๆเนี่ที่สื่อเนื่องกับโทรศัพท์เนี่ย อาจารย์แพทคนหนึ่งกำลังสอนหนังสืออยู่นะเรื่งเนสมองแตกนะแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่แกล้มยัง ม, มีใครรู้นะว่าแกเส้นเลืมสมองแตกที่การสมองด้วยนะตอนนั้นไม่มีใครรู้นะรู้ว่แกเป็นลมก็ไปช่วยประยุงไปช่วยกันช่วยกันปฐมพยาบาลช่วยที่แกล้มลงไปเนี่ยช่วยที่กลาลังปฐมพยาบาลเนี่ยมีโทรศัพท์ไปถึง รูปน้องแกเป็นเลขาแกและเป็นเสียงแกไม่เป็นเสียงแกแต่เป็นเบอร์แกใช่ไหมแกโทวไปได้ยังไงใช่ไหมมีเพื่อนของอาตมาเพื่อนของอาตมาเนี่ยแม่ปังญาตายก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ ก็พยายามที่จะนำทางแม่สวดนมนต์ให้แม่ตอนนั้นมันดึกแล้วโรงพยาบาลเขาก็ต้องเขาก็ต้องมันหมดเวลาเยี่ยมนะก็ต้องกลับจากโรงพยาบาลระหว่างที่กลับบ้านเนี่ยก็มีโทรศัพท์ของเธอดังเป็นเบอร์แม่รับสาย ก็ เ, เงียบพอวางหูประเดี๋ยวเดนเดเดี๋ยวก็ดังอีกเป็นเบอร์แม่แต่ไม่มีเสียงเธอก็รอไรใจแล้ว <c oughs> พอดังอีก ท, ทีเธอก็บอกเลยนะแม่นะก็พูดกับแม่เนี่ยให้ให้ปล่อยวางผู้เรื่องเนี่ยเรื่องการนำทางผู้ใกล้ตายสักพักเนี่ยก็มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลมาบอกว่าแม่เสียแล้ว เมื่อสักครู่นี่ไอ้ที่มันน่าประหลาดคือว่าโทรศัพท์ของแม่เนี่ยมันก็อยู่ในอยู่ในอยู่กับเธอใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ประหลาดประหลาดดีนะซึ่งก็ทําให้สันนิษฐานว่าสมัยนี้เนี่ยอใช้คำว่าผีแล้วกันนะหรือคนตายเนี่ยเขา เขารู้วิธีที่จะติดต่อกับลูกหลานด้วยโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยสื่อสารกันด้วยการส่งกลิ่นนะกลิ่นทั่กลิ่นอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วโทรศัพท์นะพูดเรื่องโทรศั พ, นะพทพ์ก็มีเรื่องนะอันนี้ก็มันก็มีเป็นเรื่องที่คนรู้กันค่อนข้างกว้างขวางเป็นเรื่องของศักชัยการู้จกักไหมฮะแกเราถึงเพื่อนแกทชื่อเป็ดนักทําผมใช่ไหม ก็คือว่าเป็ดจะเป็นมะเร็งแล้วก็แล้วก็ในสุดเนี่ยก็อาการหนักจักช้นี่ก็ไปเยี่ยมเป็ดอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไม่ได้ไปเยี่ยมประมาณเที่ยงก็จะ้โทรสารจากเป็ดที่หนูจะไปแล้วนะมาลาพี่จะไปไหนหมอบอกว่า รู้จะอยู่ได้ไม่นานแล้วใกล้แล้วเฮ้ย hey, แกจะไปได้ไงเสียงแกยังแจวอยู่เลยเสียงยังใสอยู่เลยไม่รู้ละนะหมอบอกเนี่ยไงพี่รีบมาเยี่ยมนะเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวจะรีบไปแกไปถึงน้านบ่ายสองนะบอกว่าเป็ดเนี่ยหมดสภาพไปแล้วโคมา่าไปแล้วสัตย์ชาก็เลยถามเฮ้ย <Hey. S 1> โคม่าแกเมื่อไหร่ใครทําไปทําอะไรเขากป่าเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ดีเลย พ่ก็บอกว่าแกโทมมาเนี่ยตีสองให้แล้วใครโทรมานะอ่าแล้วโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนผอไม่มีใครใตายเลยไม่มีใครใช้เลยแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ที่แก อ, อยู่ที่ลิ้นชักก็เปิดดูปรกากฏว่าโทรศัพท์ของเป็ดเนี่ยมันมีเรคคอร์ดว่าโทรมาหาศักชยัยที่อย่างสองนาทีส่วนโทรศัพท์ของศักชัยก็มีเรคคอร์ดว่า เป็ดโทรมาเที่ยงสองนาทีเหมือนกันตกลงใครโทรนะ <c oughs> เป็นไปได้นะว่าแม้ร่างกายของเป็ดเนี่ยจะหมดสภาพไปแล้วเนี่ยแต่ว่าจิตของเขาเนี่ยยังยังยังทำงานได้แล้วก็พยายามสื่อสารกับศักชัยนะแล้วก็สื่อสารวิธีหนึ่งที่แกเลือกใช้คือโทรศัพท์มือถือ ถ้าเรงนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ก็หมายความว่าโอ้แม้แม้ร่างกายดูเหมือนว่าหมดสภาพไปแล้วเนี่ยแ ต, แต่แต่จิตเนี่ยมันยังจิตนี่ยังแบบสบายๆอยู่เลยเสียงก็ใสนะไม่มีไม่มีร่องรอยความเจ็บปวดอะไรเล ย, เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นแง่ที่ให้กับคนที่ดูแลผู้ป่วยนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนหมดสภาพไปแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยจิตก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนะี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สุดไม่ได้โศมอย่างกายก็ไดนะ้ อ ย, อย่างร่างกายก็ได้ไอ้พู้นี้เนี่ยก็มันเล่าไว้เพื่อเพื่อให้เป็นแง่คิดนะว่ามันมีอะไรที่ที่มันไม่ได้เข้าล็อกกับที่เราเคยเข้าใจนะเรื่องเรื่องความตายหรือเรื่องเรื่องคนโคม่ากนเป็นผักเนี่ยนะมันมีอะไรที่ลึกไปกว่า น, นั้นที่อาจจะไม่ตรงกับที่เราเคยรับรู้หรือเข้าใจไปก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องสึกษาที่าวไว้ก่อนว่าเขจะรับรู้ได้ การปฏิบัติกับเขาเหมือนคนปกติชวนเาชวนให้น้อมนำชวนน้อมตามใจให้ให้เขาเขาเ้าถึงธรรมะหรือว่าชวนให้เขาปล่อยวางก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะทำได้ ไม่หรอไม่ตายอ่ายังยังไม่ตายไม่ตายก็แบจะทําไมเป็นบ่อยนะค่ะอาจารย์เพราะว่าจะเตียงกันเองว่าไม่พร้อมแต่บางทีก็ตอนเตียงเขาบอกว่าเราไม่ใช่ไม่พร้อมเพราะว่าจะวาสมบัติหรือวางสังขารเราไม่ได้หวัเราหวัว่าเราอยากจะสร้างบูรณาการส่วนได้เยอะทําไมไม่ให้ไม่ให้เราสร้างก่อนทําไมต้องทําไมต้องพาเราไปบ่อยเพราะเราไม่พร้อมถ้าจะเตียงก็คือคัก เอาเป็ น, น ไ, ปไม่ได้ว่าเมื่อใดที่พร้อมนะมันจะไม่มีอาการแบบนี้นะลองเมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมอาการแบบที่ว่าอาจจะหายไปก็ได้งั้นะลองลองลอ ง, ลองทําดู <c oughs> ว่าอ่าจริงนะเพราะว่าจริงๆเราเร า, เราต้องพร้อมจะต้องเราต้องพร้อมตายทุกเวลานะก็ท่าเรียกว่าพร้อมแต่ท่านก็เจอว่าวันเราปวดพร้อลางคืนนะก็หลอด กินยังไงก็ไม่ไม่อยู่ก็คือว่าจะไปยุ่งแบ่เป็นงานที่เราเป็นก็เลยบอกว่าเอออยากปวก็โปวดเพ้อตายก็ตายก็ไม่เป็ไรก็ตายไปซะเราจะนอนเฉยๆก็ตายไะแล้วก็นอนเฉยๆกันะท้ามาก็จะถึงก็ไม่เป็นไรนะคะก็เลยไม่ไม่รุดตัวมาทางยายิงคือยิ่งตานยิ่งตานนะมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเรียกว่า ยิ่งยุยิ่งแย่ยิ่งธรรมชาติเนี่ยคือถ้าเราพร้อมเนี่ยนะอรหันเชื่อว่าเนี่ยอาการที่ว่ามันจะค่อยๆเดื อ, อนหายไปถ้าพร้อมไม่ตายจริงๆนะ ม, มันต้องตายอยู่แล้วนะแต่ว่าอาการที่คุณว่าเนี่ยอาหันว่าเมื่อเมื่อแต่ขณะที่คุณรู้สึกว่าพร้อมเนี่ ย, ยมันจะไม่มารบ ก, กวนต่อไปและคุณก็อย่อยาไปคิดว่าอ คือมันต้องพร้อมคนเรามันต้องพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วไอ้เรื่องตายเนี่ยนะเพราะว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าไปห่วงว่ายังทำยังสร้างบุญกุศลไม่พอไอ้ความหวงว่าสร้างบุญกุศลไม่พอนี่แหละที่มันจะทำให้กลับมาเป็นกลับมาสร้างความช่วใหลตัวเราเองการความยึดติดในบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นโทษนะ บุคุสนเนี่ยมย้คำว่ายึดเต็ดเนี่ยนะไม่ว่ายึดเต็ดอะไรก็ตามเป็นทุกข์ทั้งนั้นหรือว่าเป็นโทษได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบเจ้าเป็นเจ้าพิจ า, ารพาคนไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดกระถินทอดข้าปา่าตามวัดในชนบทถิน่นธุรกันดาร แกก็ทํามาเป็นยีสปีอาจจะนานกว่านั้นนะแล้วบบนี่แกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งแก ก, ก็ลามเร็วม า, จากจนทั้งคนนึงแกก็ต้องนอนป่วยที่โรงพยาบาลระยะสุดท้ายเพราะวพอแกพอสุดท้ายแกมีอาการ ก, กษระสับกระส่ายลูกหลานก็คิดว่าแกเป็นคนธรรมธรรมโสดได้ฟังเทศธรรมะหรือว่าพระสวดมนต์จิตใจสงบปรากว่าพอ ให้ฟังเทศธรรมะค่าสวมนตแก่ก็ไม่สบงบยงังกระสับกระส่ายเหมือนเดิมลูกหลานก็งงเป็นพ่ออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งช่วงใกล้ๆ ก, กันเนี่ยเพื่อนสนิทมามาเยี่ยมเพอรู้ว่าเกิด อ, อะไรขึ้นกแกก็ไปกระซิบที่ข้างหูบอกว่าโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจ ะ, จะช่วยกันสร้างให้เสร็จพอจริแค่ไหนแก สงบเลยนะแสดงว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยมันไปโดนใจแกคือแกอาจะเคยรับร่อนถอดใจไว้ว่ า, า, วาตายไม่ได้ถ้าสร้างไม่เสร็จนะตายไม่ได้ถ้าสร้างไม่เสร็จแกก็เลยไม่ยอมตายแล้วแกก็เลยทุกแก์ให่วงห่วงอะไรห่วงสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ เป็นกุศลหมเป็นกุศลมากเลยแต่ถ้ายึดมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ตายให้ทำให้ตายไม่สงบได้เหมือนกันนะคนที่ตายไม่สงบไม่ใช่ว่าห่วงรักนี่นะห่วงสร้างโบสก็ได้เพราะแม้กระทั่งบุญกุศลเนี่ยนะก็จยไปยึดมั่นถือมันมากนะถึงเวลาที่จะตายไม่มีโอกาสทำก็ต้องปล่อยวางได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ แค่นี้แหละช่วยทำให้เราพร้อมคืออ่ต้องคือเราว่าตายก็ได้หายก็ดีถ้าหายก็ทำบุญต่อสร้างกุศลต่อแต่ถ้าจะตายก็ก็พร้อมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนจะจ้ะ